ตั้งใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให รู้สึกสบายๆหลับตาเบาๆาพอสายสบายททำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่ง แล้วก็โกรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในคลางท้องของเรานะในระดับทิ้นเนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเลยจะไม่ง่ายว่าอยู่ในคลางท้องของเราบริเวณะนะั้น แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรเลยนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใส อย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือปละแก้วใสใสยอย่างใดอย่างหนึง่ง ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างสบายๆจะลืมถอบย้ำซ้ำเดิมทุกวันวันนี้คือกรณยยกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานดีแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ในแต่ละพบแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงจุ่ดีคกอกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายตานที่จต แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโม่เพิ่เลินในกามของทิพยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี่เลยชนะาวสวรรค์ทั้งหลายนะ่ยหกชั้น ถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายผ่านที่เจ็ดถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัว จึงเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรมอยู่ในพรมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภชาสามาบัติรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลย อรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวตังเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละแล้วที่ใครจะคําว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดหยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรม ตั้งแต่ปัะสโะซดาบานันพระสะกิทาคามีพระอนาคามีพระหลานอย่างนั้นแตยูลยนภพกระทึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคํายืนยันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดใน ทำทั้งปวงในเรื่องราวความหมายยิ่งชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนไหตายตเกิดทำซ้ำในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์นี่ก็นับครั้งไม่ท้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงให้ระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้ว พระเจ้กากระพัดซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกเราใบนี้ในยุคที่มีพื้นเป็นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะ น, น, น, น, กนั่นน่ะชนในยุคนั้นน่ะนับถือศีลห้าเป็นประเทศเดียว ปกครองได้ทั้งชมบูเวีปอุตรกุรเวีปรีบปปะวิเทหเวีปอัรปรัตโขยานทวียบเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระส ม, มีหรือพเขาพระสินเดรุรนั่นแหละไปมาได้ในรัตนเจ็ดในอนุภาคของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนะี่ยท่านยังยืนยันว่า ใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นผูุ้จชนแล้วแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้หญิงใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศสราชบรมเศด็จี มหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนจันของท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแต่งตลอดในธรรมนังปวงที่หมดกิเลสอาสะวะแล้ว เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเนะี่ยเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเครื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็น เช่นการทา ม, มากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้ไแล้วก็ต้องฝึกใจนให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายตานที่เจ็ด พอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งล้วก็ถูดดึงดูดให้ตกศูนย์ก็ไปสู่ไปในระดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งน้ำน่อาจจะพักระหว่างทาง ธิดสิทธิปุรีเราก็จะท้งโขนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทางทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกตกหลน่นๆลนเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มเบาเบาสบายสบาย ได้ใจที่ชื่นบานให้สบายสบยฝึกกันไ่ทุกวันอย่าเกลียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงับชีวิตในระหว่างที่เรายังแข่งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิต ตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปนะไปสู่ประโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขยุ่งเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ ไปสู่เทวโลกดยสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมันขยันในการทำความเพียนะจะให้เกยียรติกลาต้องสอนตัวเองนะบอกกับตัวเองทุกวันคอยกํากับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่อง ถึงจะดึงใจราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแบบออกไปในเรื่องราวต่างๆพอจะกระทังฝืนฝืนใจฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในลันดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ย ถึงหน้าถึงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองแจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งมปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยูน่ในปัตตยวิโดกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวงตัวเองแหละเพราะว่าใจมันนิ่ง แน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใส สว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในข้าวถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายนุษย์ละเอียดทิ่ลมรูปล ม, มแล้วก็กายธรรมซึ่งคราคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียด ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยาแยกตอนแรกตอนที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกค น, นไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นะประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทอะ ปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมือมืออะไรอย่างนั้นนะแต่นั่งไปนานๆเงี้ยสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมาก น้ำก็จะโลง่โลงโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้มาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความโดยสุดเพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงาม โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นก็อยู่ที่เราขยันและก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวภายในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ